แนะนำบทนัวบทนัวเป็นบทมักคิยาะมี28องค์การบทได้เริ่มด้วยการที่อลัลลอฮ์ทรงส่งนบีนัวอะัยฮิสลามเพื่อประกาศเผยแพร่ศธรรมและตักเตือนหมู่ชนของเขาให้ระวังการลงโทษของอลัลลอฮ์บทนี้ได้กล่าวถึงการต่อสู้ของนบีนัวการบดทนของเขาการเสียสละของเขาทั้งกลางคืนและกลางวันทั้งโดยทางลับและเปิดเผยกระนั้นก็ตาม มู่ชนของเขาก็หาได้ความสนใจแก่เขายิ่งกว่านั้นพวกเขายังอยู่ในการหลงผิดและการดื้อรั้นหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวเตือนพวกเขาให้รำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์และความดีงามต่างๆของปรุงผ่านทางนาบีอะลัยฮิสสลัดเพื่อให้พวกเขาขยันหมั่นเพียรในการจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์และพวกเขาก็จะเห็นร่องรอยแห่งอานุภาพและความเมตตาของปรุงในจักรวาลนี้ ทั้งที่ได้มีการตักเตือนสั่งสอนและชี้แนะทางที่ถูกต้องและทางรอดแล้วก็ตาย ม, มูชนของนัวก็ยังดื้อรั้นอยู่กับการปฏิเสธศรัทธาการหลงทางและการถิ่นหลังให้พวกเขาเหยียดหยามการเรียกร้องเชิญชวนของนบีของพวกเขาคือนบีนูอะลัยสลามจนกระทั่งอัลลอฮ์ทรงทําลายล้างพวกเขาด้วยการจมน้ําตายบท น, นี้ได้จบลงด้วยการขอพรของนบีนูอะลัยสลาม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 ด้วยพระ น, นามของอลัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออินนอซัลูฮัอลแทจริงเราได้ส่งนัวไปยังกลุ่มชนของเขาโดยบัญชา ว, ว่าเจ้าจงกล่าวเตือนกลุ่มชนของเจ้าก่อนที่การลงโทษอันเจ็บปวดจะมาถึงพวกเขา เขากล่าวว่าโอ้กุมชนของฉันถ้าจริงฉันคือผู้ตักเตือนแลชัดแจ้งของพวกเจ้าพวกเจ้าจงคารมพักดีอัลลอ์เถิดและจงยำเกรงพระองค์แต่จงเชื่อฟังปฏิบัติตามฉัน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 แท้จริงวรรคของอัลลอ์นั้นเมื่อมาถึงแล้วมันจะไม่ยืดเวลาออกต่อไปอีกหากพวกเจ้าได้รู้เขาลบบ ah กล่าวว่าโอ้พระผู้อิบานของฉันแท้จริงฉันได้เรียกร้องกลุ่มชนของฉันทั้งกลางคืนและกลางวัน แต่การเรียกร้องเชิญชวนของฉันไม่ได้เพิ่มพูมสิ่งใดให้แก่พวกเขานอกจากการหลบหนีโอ้อินนีคุณและมา دعوتهم لتوفر له الجلوا صابعهم في أذانهم دعلو أصابعهم في أذانهم واستغشوا في أبهم وأصر و استكبر ا س ت ك ب ر ا และแท้จริงทุกครั้งที่ฉันเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาเพื่อที่พระองค์ท่านจะได้อภัยโทษให้แก่พวกเขาพวกเขาก็เอานิ้ว ม, มือของพวกเขาอุดหูของพวกเขาแล้ว เ, เสื้อผ้าของพวกเขาคลุมโปง่งและพวกเขาดื้อรั้นและหยิ่งยโสด้วยความจองหอง ฉันแล้วฉันได้เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาอย่างเปิดเผยแล้วฉันก็ได้ประกาศแก่พวกเขาอย่างเปิดเผยและยังได้บอกกล่าวแก่พวกเขาอย่างลับๆอีกด้วยฉันได้กล่าวว่า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 และความจริงพระองค์ทรงสร้างพวกเจ้าตามลำดับขั้นตอนพวกเจ้าไม่เห็นดอกรู้ ว, ว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็เป็นชั้นชั้นอย่างไ ร, นนราาและทรงทำให้ดวงจันทร์ในชั้นฟ้าเหล่านั้นมีแสงสว่าง และทรงทาให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้ า, ลลาแล้วเราทรงบังเกิดพวกเจ้าจากแผ่นดินเช่นพืชผักมมแล้วทรงทาให้พวกเจ้ากลับคืนสู่แผ่นดินและจะทรงให้พวกเจ้าออกมาอีกเพื่อฟื้นคืนชีพแ ล, ล้วทรงทำให้พวกเจ้ากลับคืบสู่แน แล้วล้อทรงทำให้แผ่นดินนิราบเรียกสำหรับพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้สัญจรไปมาตามพื้นที่โล่งกว้างนั้นาา น, น, น, นัวได้กล่าวว่าโอ้พระผู้วิบาลของฉัน ถ้จริงพวกเขาได้ฝ่าฝืนชั้นและเชื่อฟังผู้ที่ทรัพย์สินของเขาและลูกหลานของเขาไม่ได้เพิ่มภูมิอันใดแก่เขานอกจากการขาดทุนและพวกเขาได้วางแผนร้ายอันยิ่งใหญ่ร และพวกเขาได้กล่าวว่าพวกเจ้าอย่าได้ทอดทิ้งพระเจ้าทั้งหลายของพวกเจ้าเป็นนันขาดพวกเจ้าอย่าได้ทอดทิ้งวัดและสุวรและยางุสและยาอุปและนัสเป็นอันขาด。 และความจริงพวกเขาได้ทำให้หมู่ชนจำนวนมากหลงดังนั้นขอโปรงท่านอย่าได้เพิ่มอันใดแก่พวกอาธรรมเหล่านั้นนอกจากการหลงผิดเท่านั้นอันเนื่องจากความผิดอันมากมายของพวกเขาพวกเขาจึงถูกให้จมน้าตาย และจะถูกให้เข้าอยู่ในไฟนรกดังนั้นพวกเขาจะไม่พบผู้ช่วยเหลือสำหรับพวกเขาอื่นจากอัลลอฮฺและอู๊ดได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ขอพระองค์อย่าทรงปล่อยให้พวกปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยู่บนแผ่นดินนี้เลยอินละก็อิลกะดะรุฮุญุลลูอิบดะดักอัลลอฮะยิดูอิลลาฮะจิรัลคัฟฟาระพระแท้จริงหากพระองค์ท่านทรงปล่อยพวกเขาหลงเหลืออยู่พวกเขาก็จะทำให้พวงเ่าของพระองค์ท่านหลงผิดและพวกเขานั้นจะให้กาเนิดแต่พวกเลวทาม พวกปฏิเสธสัทธาท่านั้นโั้พอพระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันและพ่อแม่ของฉัน และผู้ที่เข้ามาในบ้านของฉันเป็นผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงและพระองค์อย่าได้เพิ่มอันใดแก่พวกอาธรรมเหล่านั้นนอกจากความพินาศเท่านั้น